เรื่องการอบรม 1 เรโดยพระ เสียงไม่ดังเหมือนคนทั่วๆไปจะอัพพับเสียงแต่ จะนั่งขัดสมาธิโดยผู้ภาษาบ้านเราว่าไม่บาปนะเพราะว่าการนั่งชนิดนี้เป็นผู้หนักในจิตฝึกฝนทางจิตไปประเทศอินเดียมา 5-6 ครั้งพม่า จะเห็นประชาชนแถบนั้นจะว่าไปแล้วเค้านั่งขัด แหลลักษณะของอินเดียของพม่าออกเส้นทดสอบๆก็จะเกิดอาการอันง่วง ร่างกายจะต้องทํางานหนักคือใช้พลังงานในการเผาผลาญในการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะง่วงนอนยิ่งมาฟังเรื่อง ได้สาธุลูกหลานทั้งหลายได้อาจารย์โครงการอบรมพัฒนาจิตคำนี้เป็นคำ ment development my development ก่อนอื่นเนี่ยนั้นอยากจะคือไม่มีการปังคับ ในการฟังนี้เรายังไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะมันจะกลายเป็นต่างๆเชื่องง โยอิธมัคคังอวิจยะยคันหติสเวนะโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดเลือกคือเอา เมื่อดูกันแล้วก็จะมีอาการหำขึ้นมา บางทีก็หลงว่าตนเองมีอะไรดีสะฤทธิ์ตามบ้านนอกสมัยก่อนก็ไม่มี ป. ว, า, อก, ป5 ป. ป4 แล้วก็ไม่ pega o l l a n t a d k m l a y a p d e e n o n. a d y a pas de ruine geul yorka o n o n kr0 o ns te ruine gup obligyeol koppong qne mu ne e a n y o n gитесь k ba Boe ni k m sooy Haw ovat, beac dam is n a a saun cul desu mi ka si m seSON เป็นโรคอาการนี้คงจะเหลือตายไข้แล้วไข้อีกไม่ตายก็ มันภาคจริงครบตารางการทางมากครับคงจะเข้า 100% พูดตรงๆนะแต่ 3 พอดีครูดี มีแต่ครูในยุคสมัยนี้นะพวกลูกหลานทั้งหลายก็เรียกครูมีอาจารย์มีแต่ครูเพราะคําว่าครูนี่หนักหน่วง อาจารย์นั้นแปลว่าผู้ฝึกมารยาทผู้ฝึกกันกระทําอย่างเช่นเรียนเดินมาเนี่ยนะนะอาจารย์ผู้ชายนั่งจับกลุ่มกันกระชูแก่สดชื่นบานเมื่อดอกไม้บานยามเช้ามัน นู่นๆวีเมนได้มันจะไปตรงนั้นเค้าเห็นนั้นอาจารย์ได้มีคนค้านน้อยถ้าในทางพุทธศาสนาเขา <c oughs> พอดีครูท่านดีท่านมองการไกลแต่ว่าท่านเบิร์ดไอวิว เป็นสันจริงๆของชาวอีสานที่เป็นคอมมอนเซ้นส์จริงๆยังรู้สึก is Thai and what are ก็มา is Thai ว่าไทยคือ th <laughs> คำหมายมันบอกอยู่ในตัวเรามีคำตรงข้ามถ้าเป็นไทยก็คือไม่เป็นธาตุไม่เป็นคอยเป็นธาตุถ้าเป็นลาวก็ไม่เป็นแหลงผู้ใดเป็น คือมีอิสระในตัวมีอิสระในตัวมันจะย้อนลึกลงไปอีกภาษาแต่ก่อนนู่น 2484 ย้อนขึ้นไปนู่นสยามสยามนั้นเป็นภาษาสยามประเทศ เขาร้องเพลงชาติมาประเทศสยามนำบัดคือพวกเมืองคมมาก่อนนะเตลีมาเปรียบการร้องเพลงชาติในช่วง เมืองไทยเกลี้ยงตัวม้ามาบ้านไม่ถูกอ่านจดหมายไม่แล้วก็ไม่รู้มันได้หรือไม่ได้ มีความแสดงว่ามีปุ่นมาเพียงแค่นี้ทีนี้ลูกหลานนี้ได้ 2 วัน 3 วันมานี้เป็นอีกอันน่ะ สำคัญศาสตร์บารมีเป็นเอกศาสตร์ประเภทเพียงอาคมกลางบ่เคยพุ่นชื่อ จิตใจจะแข็งกระด้างบางทีจะเกิดการดုန်ที่ว่าหลายๆเจ้าเขาเกิดได้ มันบ่มีหัวจารภาษาเพิ่นบ่ต้องหาลามมาแปลแต่มันไม่ เเฝ่พ่อแม่บอกลูกอย่าไปนะลูกนะอย่าไปเด้อลูกเด้ออย่าไปหานี้รู้ภาษาแต่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยกลับมา ผู้เดินเที่ยวบ่ท่องจนบ่จักเกิดฮอดเขียนจดหมายไปเว้าดีบ่ยังกราบเท้าๆเคยกราบเท้าจริงๆทางไหนโวยบ่กราบจัง เมื่อมาบ้านบ่ว่ากราบเข้าจะถือเพราะการ 3 4 400 กว่าหลุมนี่นะมีนรกพิเศษหลุมหนึ่งชื่อว่าโลกันตมหานรกอยู่ระหว่างจักรวาลทั้ง 3 จึงว่าโลกกับอันตระอยู่ระหว่างจักรวาลไว้คอย คุณๆของพ่อของแม่ผู้เจ้าให้พ่อแม่ต้องร้องห่มร้องไห้พอตายไปก็ไปตกนรกมืดนรกรุมนี้แสงตะวันๆหิวๆเหมือนเขียวมี พอไปเจออีกตัวนึงก็ เพราะว่าเราพูดตัวนี้เป็นผู้พูดกับผู้ฟังยังไม่ต้องเชื่อเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่รู้ คนนั้นจึงบอกว่าสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสดาเพียรอาคมกาบ่ขึ้นบุญสมภารสร้าง ตรงคําศัพท์คําหลังว่าเพอร์เฟคชั่นคือการกระทํา แปลว่าความรู้ต้องกับภาษาบาลีว่าเวทาสาตประเภทเอ๊ะครูบา เยอะๆเอาเรามานั่งอบลมมาทรมานทรครรมเดินลำบากเทนชั่นในความรู้สึกตึงเครียดขอให้ลูกหลานปรับใจ 3 วันมาเนี่ยไม่ตามใจมันมันก็เลยเกิดอาการฟึดฟั๊กต่อสู้ขัดเคืองพวก อยากใจจะขาดรอนจนไปหากินถ้าไปขอกินไม่ได้ก็จะแม่จ๋ามันแสดงออกมาผ่านทางแม่ว่าอยาก อยากกินของหวานกินของหวานอยากกินของคาวบางคนบางคนอยากหาขี้ดินมากินอย เทคอเรลักเป็นทูลหัวยอดยาจียอดดวงใจแต่พอตั้งเอามาให้หน้าพ่ออีช่วยเกียดนิพพานทางแม่ขัน 5 เริ่มทํางานทันทีตั้งแต่อยู่ในท้อง ลูกของพระเจ้าพินดิสารอคัมมเฆสีพอตั้งครรภ์อยากกินเลือดัวเห็นหน้าเวลา มีบางอย่างในจิตในใจของหม่อมฉันแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดพระเจ้าวิริษณก็ประวัติถ้าเธอไม่บอกผัวของเธอนี่เธอจะไป มันเลยกลัวม้าพรานหนาอยากจะดื่มลือดแต่เมื่อพูดออกมาแล้วก็เสียใจ พ่อแม่นี่รักเราตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตั้งแต่ในท้องน้อยๆ พ่อเราเอาละเรื่องนี้หยุดไว้นี่ก่อนถ้าถ้าพูดไปมันก็ยาวเจ้าชาติ หลังจากนั้นพอโตมานี้ไปคบถูกตามใจมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พอ มันลอดเครื่องไม่ติดเข็นออกมาจากหู่ดีๆแค่เห็นก็ เอาอะไรมาฉีกมาปาดขอออกกัดหงได้เท่านั้นแหละเท็จเลยเท็จยังไงคือร้องไห้ร้องไห้ก่อมโลกทั้งคืนร้องไห้เก่งมากที่สุดเสียงร้องไห้เป็น <c oughs> หลวงอานี่สังเกตอยู่ที่วัดสัตว์เยอะนกยุงเป็นฝูงๆ พอบ่ได้ออกทีเดียวออกทั้งหลายขั่นต่อมาแล้วก็เซาอย่างเงี้ย มันเป็นทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกเมื่อเราออกมา อาม่าของถ้าลูกจะร้องไห้ไม่ให้ดีใจนั่นคือกิเลสของลูกถูกพะเน้าพะหนอด้วยแม่ ตอมาเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กคารพพอเล่นพอวิ่งเล่นได้แม่ก็ยิ่งเข้าใจซื้อเสื้อ กิเลสให้หาปวะต่างๆกิเลสกับพัฒนาเป็นคือกันเวลากําลังจะ จะเล่นอะไรต่ออะไรไปขอแม่ให้ซื้อให้แม่ไปโรงเรียนได้มั้ยพ่อแม่หาซื้อให้ทั้งๆได้เป็นห่วงโวยจะจะขี่ไปเหม่อเหลาะข้อหักตายบ่นใดน้อคั่นบ่ มานั่งสมัครที่เข้าในมหามากราบครับอ้ออาจารย์หมั่นผีๆเถอะยอดรักมา พระบูชาถึงจะถูกเกิดเป็นดวงตาเธอเป็น แม่ก็ยังบอกว่าพอใจที่จะให้เธอรอบ่ยังอาจารย์ ทางที่กุผาอาจารย์ต้องการให้เราดีตั้งแต่สุดถ้ามันเกิด พายังเนาะสายเนาะมันเมื่ออันย่างบ่ mindfulness and clear comprehension ให้มีสติ of mind right. คือที่ หาละเกนี้เป็นนั้นว่าไอ้ฉันมั้ยพูดเรื่องเธอก็ ในนั้นมันมีลมสุขของจริงสุขที่จริงๆพวกเราไม่ เส้นได้รับนิมนต์มานี่เฉพาะประเทศออสเตรเลีย 6 ครั้งให้ไปทําอะไรไปฝึกสมาธิภาวนาไปพัฒนา ในที่ทางเมืองฝรั่งมั่งคลาทางโลกทางตะวันตกนะเขาต้องย่างนะมี at the past 20 20 year คือ ในอเมริกาหนังสือพิมพ์ลงข่าวประคมกันชั่วทุกๆๆปีเมื่อเขาสรุปข่าวจะมี เออเว้ยอยู่จังหวัดอุดร 20 ปีที่ผ่านมาเมื่อ 20 ปีย้อนหลัง ผ่านมาเมื่อเมื่อ 100 ปีนั้น a few thousand only 2-300 กว่านั้น 20 ปีนี้ 3 ล้าน 5 ล้าน 3 to 5 million จาก 3 ล้าน 5 ล้านคน 20 ปีพวกฝึกๆได้ความขึ้น 425 มากกว่า 425 แห่งสำนักและทางพุทธศาสนาสําหรับฝึกสมาธิภาวนาที่โดด สุวรรณป่านาชาติที่วัดหนองบำพงจากที่วัดของหลวงอาอยู่นี่ไกลห่างมากเมื่อ 7 ปีก่อนพวกเราอาจจะไม่ เม่น 1 ลงอาเดินตรงกลมอยู่เดินช้าๆสโลโมชั่นแบบพวกเธอเดินแดงๆยืนจึ๊กมือคําสะเอวว่าดูบางวอคกิ้งสโลว์ลี่ๆเออว่าซั่นเคยบอก myfulness and he and clear comprehension mm hmm. เพื่อจะสร้างสติระหว่าง sense and sense objects activity mm hmm. ระหว่างการทํางานของประสาท ตัวอานั่งข้างล่างกระปืนขอลําโกไว้กึ๊กขึ้นมานั่งทั้ง ถ้าเป็นชาวไทยเข้ารังเกียจต้องนั่งกับพื้นปะแปะโลดก็ได้ลงข้าง อุตสาหกรรมโรงงานที่ๆโรงงานเครื่องจักรใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เค้าตกงานๆถ้าเรามัว แต่เขาใช้ Automation จักรแล้วก็ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนยุคนี้เลยใบยุคอินฟอร์เมชั่นคอมพิวเตอร์เทเลวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแต่ ทำโมเลย์โอโลจีของเค้าไบโอเทคโนโลยีเมื่อไบโอเทคโนโลยีเจริญเข้ามามากๆคนหลังตก 1,800 บาทเค้าก็เลือกผลิตโรงงานที่ดี ประเทศยากจนอย่างประเทศไทยประเทศที่กําลังพัฒนากําลัง globalization หรือว่าโลกาณุวัตรคือการ 1,800 มาจ้างพวกเราวันละ 78 10 วันละ 100 130 กินจ้างได้หลายคนวัตถุดิบอะไรก็มีเยอะแยะค่าที่ดินที่ดินอะไรก็ถูกที มาถึงบ้านพ่อแม่ดีใจซื้อส้มเขียวมา 3 กิโลดีใจอย่างขนาดเส้นน่ะผสินเนื้อของเมือง <อ. S 1> e มามา 20 ปีข้าง ในหุตต์เมอยู่ในโลกในประมาณ 1 ล้านตัวสัก 20 ปี 10-10 ล้านตัวๆก็ไม่ต้องใช้คนตรงบริโภค พอลิพพวกทํายังไงที่จะกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆกินน้อย แต่อะไรจะเกิดขึ้นพ่อแม่เขาหมดเงินขึ้นมาอะไรจะที่ LA ที่ลอสแอนเจลิสเมืองภายใน Theory คือระบบที่ไร้ 20 ปีที่ผ่าน เซียนนึงหาเสพยาเสร็จสิทธิ์อีกเซียน 1 หาบริโภคกลางคอนซูเมอร์โซไซตี้ คันเมืองฝรั่งเนี่ยมีคริสต์ศาสนาเป็น In God We Trust เงินรุ่นเก่ารุ่น One Nation Under God ประชาชาติ ที่สอนๆหน้าๆหมวด New Testament หมวดครีเอเตอร์ออฟเดอะเวิลด์หมวดสร้างโลกเปิดไปสัก We are such of God we love love together we made we to love us and we are according to the purpose of God ขออภัยว่า เพราะจะเป็นจังได๋ทุกยากปากมองหางมีที่ หายใจเป็นเทคโนโลยีตอนนี้คนว่าจะ 180 จะว่า i have no any religion ผมไม่มีศาสนาๆอ้าวคนบ่มี ที่ที่ครอบครัวนี้ถือศาสนาอะไรบิดา not necessary to have any religion we are stand on our own leg ไม่ๆเรายืนอยู่ เขาเขาเชื่ออย่างนี้เมื่อก่อนเขาถูกเขเข Eat and drink be ดื่มเข้าไปบิมอลีสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายเพราะเราว่าอาจจะคิดอย่างนั้น เอาประมาณทาสทุกคนในประเทศไทยคิดเหมือนอยู่นะคิดเหมือนคน eat and drink beer นี่ tomorrow we กูตอนอบอกกินก็ไปสนุกสนานเข้าไปฆ่าพลังให้มันตายเอาเงิน ตามเจ็บไข้มียา house country are the place for our body lilian omolan in place for studies ประเทศชาติบ้านเรือนเป็น อย่างถ้าเค้าฟังเลคเชอร์อย่างนี้ฟังปาฐกถาฟังเนี่ยเค้าอย please again sir พอว่าเดาะครับซ้ํา please slowly เค้าจดไม่ทัน<อง> ความตระหนักจุงใจที่จะเข้า for truth and understanding ทั้ง love ทั้ง interest ทั้งสนใจ truth นั้น understanding เพื่อเข้าใจอันนั้น ผมจะต้องเข้าใจซะก่อนเค้าอยู่อย่างไรทำยังไงผมจึงจะเชื่อว่าชาติ สองทางทางใดเป็นหนึ่งแดงให้มันเป็น 1 ทางนึงก็คือฝึกกิจให้มันเป็นๆ recollection ขึ้นมาฝรั่ง บางทีอาจจะ 50 ชาติบางทีอาจจะวันเดียวก็ได้เพราะมันเป็นอัตตาลิโกธรรมเลยแล้ว เสลาฝรั่งก็สนใจมาปฏิบัติธรรมทํายังไงรู้ๆนั่งฟังธรรมได้ได้นี้ใช้เวลามาเนี่ยก็จะเป็นอ่าบอกว่าเอามั้ยจะเอาเนนมา กดหัวเขาให้เขาว่าว่าเขาโอเคนั่งเก้าอี้มันพอนั่งอาตมานั้นแค่นี้ๆกล่าวเนนมา 2 ค่อยๆพลันบอกๆได้ เพลงน่ะมันก็ร้องให้โอโหเลยเขาบอกว่าไอ้บอกว่า 2 ชั่วโมงไม่มีพริก ให้รู้การเคลื่อนไหวของกายรู้การเคลื่อนไหวของกายแต่ว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอถ้ามันยากเอาๆเดินสโลว์โมชั่นแล้วก็สร้างเคลียร์คอมพรีเฮนชันคือสร้างสัมปชัญญะความรู้สึก ตอนนี้คุณได้กําไรพลั้งมันจะได้กําไรอย่างไรครับเวลามันคิดรู้แล้วรู้อีกในขณะที่มันคิดคนต้องรู้ว่าถ้าอย่างนี้ แก่ๆเด้อ Activity มันคิดแกก็รู้บริโษเนนแอคทิวิตี้เอนี่ครับ you know เวลามันปลง 5 บาทแต่แก๊สบุหรี่ลุงอาจจะบอกว่าเลิกสูบบุหรี่ กินทุนเนี่ยคนลือนนี่ตื่น 02:00 น. นอน 5:00 น. อ่าก็บอกว่าเลิกกินข้าวดีกว่าไม่ให้ไม่ให้สูบบุหรี่คุณเลิก 7 วันเอาอย่างนี้ถ้าเลิกกินข้าว 7 วันได้ to better and feel เปิดหัว จึงกินกินแต่เลิกสูดบุหรี่ถ้ามันจะตายก็ไม่ได้ fighting together ให้มันตีกันโลดวะซั่นพ่อคลังบอก Bravo ว่าซั่นดีเซเหมือนกันโค้ด บ่นนี่ก็ไม่สุกเอาล่ะให้มันตีกัน 7 วัน 7 วันนี้เทศน์ให้ฟังกินนาตัวอ้วน 3 เดือนก็บ่ 7 วันแต่ละมัน เกมว่า SA 50 50 อยู่กันแจกเออหมองดีแล้วตอนนี้เราจะเห็นใครจะ 50 50 60 10 9 ปกติแกวัน เฒ่าบ่าว 50 50 ยันหาวเกาครึ่งต่อครึ่งปลาเข้าวันที่ 10 ปลาหลังไม่ตื่นมาเลยสง่าว่าเอ๊ะวันนี้ทําไม น้องพาหารถมาจับมานุ่งพาเอาออกว่า maybe i must die soon ว่าซั่นๆนี่ล่ะว่าซั่นมันเป็นหยังๆค่อยแลมไปพัดได้ <c oughs> ตโลบะถุมลอมาบิรดายทัวมื้อนี้ต้องตายคักๆมื้อนี้เลลี่ว่าซั่นลูกขึ้นจังได้บ้านว่า พอถึงวันพวกนี้ปั๊บฝรั่งตื่นเช้าเลยก็กรีดกระเป๋ามากวาด i dream home wei ratna. มื้อนี้ฝันหมดคืนว่าได้นอนหลับว่าซั่นฝันยังหลับว่าซั่นถามแกโอ้ยว่าได้หลับปั๊บไปฝันกินตักหลอกแกนี่ไอ้นึงหวงนางกินวัดว่าซั่นเที่ยวมาตื่นขึ้นมาหลับอีกก็ฝัน บาดนี้ตื่นมานี่หิวขนาดเลยอยากกินข้าวว่าซั่นยาตายหมดเลยบุหรี่ถ้าคือกินวันนี้เดี๋ยวบุหรี่จะฟื้นปอด 18 วันไปได้ 19 กินกินซะแล้ว แต่ตัวนั้นห่าตกินห่าปลามันนี่ตักเข้าเนื้อกับปลาแดกได้สบายมากเลยแซ่บปาน ผมจะปฏิบัติธรรมเป็นเรื่อยบุรุษก็ไม่อยากสุขอะไรต่ออะไรมันเลิกหมดแล้วถ้า อาสาภาท่านเรียกว่าอาละมณูปนิชฌานแห่งอันใดอันหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้อารมณ์รู้จิตไว้กับอันเดียวเหมือนกับว่าเอาจิตเอาเชือกผูกมันแล้วก็ไปผูกไว้ concentrate to the object คืออันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ไปสู่อันใดไม่บากหนึ่งเป็นอารมณ์ ไม่ต้องการความสงบแต่เราจะเอาความสงบที่เกิดมาหลังจากปัญญาจากความรู้อันนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าวิปัสสนังขมังความรู้นํา อีกอย่างนึงความสงบนำหน้าให้ปัญญาตามหลังอีกอย่างนึงมันคิดเต็ม เรารู้ป่ะมันมันเลิกคิดเลยในเรื่องนั้นถ้ามาคิดอีกเรารู้อีกมันก็จบเพราะจิตดวงเดียวอันนี้อัญญะเทวะอัญยังอุปชติอัญยังนิโรจติจิตตัวนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับแต่สมมว่าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่งสมาธิจบป แต่เรารู้แต่เรื่องที่มันคิดก็ไปพอเราย้อนถึงมันโอ้นี่ สติฌานะมาลัยตัวรู้ที่เด่นโพร่งว่างลักษณะเช่นนี้พอพอละจะพอก่อนนิพพานายะคือดับพอดับในอาการดับลงเช่นนี้เราต้องอาศัยความรู้ที่ถี่ด้วยว่าสิกเรน กว่าที่จะได้อักษรได้สระมาสะกดมากาลันมาอ่านออกเสียงได้นานพอเราเริ่มจะเป็นหน่อยเริ่มอ่านได้อย่าง บ้านนาคืออย่างเงี้ย